อ้าตต้อมก็มากับเขาด้วยอ้าวส่งกันบ้านต้อมเศร้าหมองมาสองอาทิตย์ครับมัวจะกังวลว่าจะต้องทำอะไรยังไงมันก็เลยเข้าไปคลุกอยู่ข้างในไม่รู้ธรรมดาธรรมดาตรงตรงครับจะทำอะไรยังไงล่ะก็เขาที่แล้วมาส่งกันบ้านแล้วไปติดตัวนั้นนะครับก็เลยพยายามจะหาทางออกก็เลยทำาห้เศร้าหมองเขาใหญ่ก็เลยตัดสินใจว่าดูเฉยเฉยไม่ทาอะไรแล้วครับก็อย่าไปทามัน จริงๆแล้วสภาวะธรรมทั้งหมดนะเท่าเทียมกันสภาวะที่เศร้าหมองสภาวะที่ผ่องใสล้วนแต่แสดงไตรลักษ์เท่าๆกันเราเองปฏิเสธไตรลักษ์นะธรรมะมันเลยไม่เข้ามาสู่ใจเราสทัทีแล้วเราไล่มันทุกวันธรรมะสอนเราว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เราอยากให้สุขกายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้อยากบังคับให้ได้มันยังโง่ยุ่ แม่เป็นอย่า ง, งโง่อยู่ใช่ไหมมันก็ต้องทุกข์แหละต้องทุกข์ไปเรื่อยๆดีแล้วเรียนรู้ไว้นะรู้ทุกข์ก็ดีแล้วถ้ามันสุขมากแล้วมันขี้เกียจจริงทุกข์อันนี้สร้างขึ้นเองใช่ครับนะตัวทุกข์กับสมุทัยนะมันมีความสัมพันธ์กันทุกข์กับสมุทัยเกี่ยวเนื่องกัน นี่นก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะมีสมุทัยก็เลยเกิ ด, ท, ท, กกดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์ก็เลยเกิดสมุทัยมีสมุทัยก็เกิดทุกข์อีกเพราะไม่รู้ทุกข์ก็เกิดสมุทัยอีกสังสารวัตรก็เวียนอยู่เท่านี้แหละนี่คนทั้งหลายก็จะมองไม่เข้าใจอริยสัจ เห็นว่าเพราะมีสมูทัยจึงเกิดทุกข์เนี่ยบางคนมองได้อย่างพวกนี้ครนเนี่ยรู้เพราะตัณหาเนี่ยแหละทําให้เกิดทุกข์พูดเหมือนพระพุทธเจ้าเปรียบเลยนะความจริงพระพุทธเจ้าจะพูดเหมือนเขาก็ได้เพราะนี้ครนเขาเกิดก่อนพระพุทธเจ้านะนี่คนน่าตบบุญสามสิบกว่าปีแคนร่วมสมัยกันทันทันเห็นกันเห็นว่าตัณหาเป็ตัวสมูทัยทําให้เกิดทุกข์ นี่พอเห็นตรงนี้เนี่ยปัญญามันไม่แจ้งต่อไปละได้แค่นี้งั้นอยากพนทุกข์ก็ต้องละตัณหาก็าเริ่มเกิดกระบวนการละตัณหาขึ้นมาเหมือนนักปฏิบัติทั้งหลายมีกระบวนการต่อสู้กับกิเ ล, คลสคล้ายคล้ายลูกศิษย์นิครุนเนาะเห็นกิเลสเห็นตัณหาแล้วต้องหาทางสู้กับมันนะเช่นทรมานกายทรมานใจ รู้สึกไหมการปฏิบัติของเราแทบทุกคนนะสิ่งที่เราปฏิบัติก็คือทรมานกายกับทรมานใจเคยเดินสบายๆก็เดินไม่สบายเคยหายใจธรรมดาก็เริ่มไม่ธรรมดานะเคยขยับขยื่นเคลื่อนไหวสบายๆก็เริ่มมีอะไรแปลกๆทรมานมันจิตใจเคยเคลื่อนไหวเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างดีบ้างร้ายบ้าง อยากให้มันดีถาวร อ, อยากให้มันสุขถาวรไปทรมานไปบังคับมันวิธีบังคับใจเยอะแยะส่วนใหญ่ก็คือการทําสมถะนั่นแหละบังคับมันมันฟุ้งซ่านทําให้มันสงบบังคับมันมันไม่มีสติบังคับจะให้มีสติคิดว่าสติเป็นอัตตาบังคับได้เนี่ยความไม่รู้นะมันทําให้เราเหน็ดเหนื่อยมากมายเพราะโง่ตัวเดียวนี่แหละ ทำให้ปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาตั้งมากมายปรุงปุญญาพิสังขารปรุงอัตตายกิลมัฐานุโยคขึ้นตั้งมากมายนี่พระเจ้าท่านสาวต่อไปอีกนะใครๆก็รู้ยุคนั้นบางท่านก็รู้ไม่ใช่ใครๆก็รู้เ้ารู้อยู่ว่าเพราะตัณหาจึงเกิดทุกข์ท่านมองต่อไปถึงว่าเพราะไม่รู้ทุกข์นะฮะเกิดตัณหาลึกลงไปอีกชั้นนึง เราไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษไม่ใช่ตัวเราพอคิดว่ามันเป็นตัวเราก็ เ, าเลยอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นจากความทุกข์พอความอยากเกิดขึ้นก็เกิดการดิ้นรนมีตันหาเกิดแล้วใจก็ดินน้นรนใจยิ่งดินน้นรนก็ยิ่งยึดถือยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกหรือเราฝึกบังคับกายฝึกบังคับใจนะ เพ่งเก่งๆกำหนดเก่งๆพะแก่แล้วกำหนดเก่งโกรธขึ้นมากำหนดปุ๊บหายอะไรนีโลบขึ้นมากำหนดปุ๊บก็หายเพราะมันชำนาญชำนาญในสมถะนั่นเองก็ได้พอกพูนความเห็นผิดไปว่าจิตเป็นอัตตาบังคับได้เห็นผิดหนักขึ้อีกแทนที่จะเห็นว่ากายกระเจารูปนามเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แล้วคิดว่าบังคับได้ พวกที่ฝึกเป็นฤาษีชีไพรเขาเลยรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาบังคับได้พุทธเจ้าท่านเก่งมากนะแทนที่ท่านจะไปมุ่งดับตัณหาเนี่ยท่านมาค้นลงไปอีกตัณหาเกิดจากความไม่รู้ทุกคนทั้งหลายอยากแก้ทุกพยายามแก้ทุกด้วยการละตัณหาหรือแก้ทุกด้วยวิธีที่ไม่ฉลาดทั้งหลาย ท่านสาวลงไปถึงต้นเหตุของตัณหาคือความไม่รู้ทุกข์ท่านแก้ที่ความไม่รู้เนี่ยั น, นละความไม่รู้ได้อันเดียวเนี่ยใจจะหมดตัณหาอตโนมัติเพราะงั้นรู้ทุกข์นั่นแหละเป็นอันละสมุทยัยตัวนี้เข้าใจยากพวกเรานักปฏิบัตินะเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งเราจะรู้สึกแล้วใช่ไหมพอมีตัณหาแล้วจะมีทุกข์รู้สึกไหมงั้นเราก็จะทํายังไงไม่ให้มีตัณหา เราทนไม่ได้หรอกที่จะรู้ทุกข์เราอยากละทุกข์เราอยากละทุกข์ใครๆก็อยากละทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าเก่งนะแทนที่จะมุ่งล้าทุกข์เนี่ยท่านมารู้ทุกข์รู้จนเห็นว่าตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นของโลกเป็นธาตุเป็นธาตุร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยอยู่ในอากาศสธาตุจิตก็เป็นธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นมโนธาตุเป็นธาตุ เป็นธาตุเป็นของจริงที่มีอยู่กับโลกเป็นสมบัติของโลกมอ ร, รู้ความจริงมันคืนสมบัติของโลกนี้ให้โลกเขาไปคืนกายคืนใจให้โลกก็ให้ธรรมชาติไปไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ขึ้นมาเลยธรรมะของท่านนะลึกมากเลยอัศจรยร์จริงๆเราเรียนเราฟังเราก็นึกว่าเข้าใจความจริงความเข้าใจของเราผิวเผิอนอย่างท่านสอนว่ารูปนามขันห้าเป็นทุกข เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้า ง, ปา ง, เ, ปางเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมไม่มีใครเห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีมันก็เลยปล่อยวางไม่ได้เห็นทุกข์บ้างสุขบ้างมันอยากได้สุขก็ดิ้นรนหาความสุขไปเรื่อยดิ้นรนด้วยการปรุงแต่งอกุศลบ้างด้วยการปรุงแต่งกุศลบ้างด้วยการหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์บ้างดิ้นไปเรื่อย แั้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติต้องรู้ทุกรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้จนเข้าใจเขาศัตรูที่ทําให้รู้ไม่ได้พูดทุกวันเลยแรกเผลอไปเผลอไปคิดเรื่องอื่นลืมกายลืมใจตัวเองพูดให้เป็นปริยัติฟังเท่ๆหน่อยก็คือมัวแต่รู้อารมณ์บัญญัติลืมอารมณ์ปรมัตินดพูดแบบไม่ให้คนรู้เรื่องนะพูดแบบให้แขกรู้เรื่องคนไม่รู้เรื่องคนไทยไม่รู้เรื่อง จริงก็คือมัวแต่ไปรู้เรื่องราวที่คิดจนลืมกายลืมใจของตัวเองศัตรูใหมายเลขหนึ่งรู้กายรู้ใจไม่ได้เรื่กรู้ทุกข์ไม่ได้ศัตรูใหมายเลขสองคือไปเพ่งกายเพ่งใจไว้เพ่งเพงจ้องจ้องกายก็นิ่งนิ่งใจก็นิ่งนิ่งนึกว่าดีมันดียังไงมันไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูมันนิ่งนิ่งนีศัตรูของผู้ปฏิบัติมีสองตัวนี้แหละคือความสุดโต่งสองด้านที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทํานั่นแหละ ตามสุขาริการนุโยคหลงตามกิเลสอันตาารถถายกิลมะฐานนุโยคทําตัวเองให้ลําบากบังคับกายบังคับใจเพราะฉะถ้าเราไม่หลงไปที่อื่นเราก็รู้กายรู้ใจได้แต่เวลารู้อย่าไปเพ่งไว้อย่าไปจ้องไว้ะให้มันสักว่ารู้สักว่าเห็นนี่จริงมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นได้ถ้าสติมันเกิดขึ้นเอง ถ้าจงใจไปกําหนดจะให้สติเกิดมันจะไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นนะมันจะกระโจนเข้าไปรู้จะกระโดดเข้าไปรู้เข้าไปจ้องไว้จ้องจ้องใจกระทึๆขึ้นไปงั้นอยากจะสักว่ารู้สักว่าเห็นนะต้องให้สติมันเกิดสติมันจะเกิดได้มันต้องมีเหตุอีกเห็นไหมธรรมะเต็มไปด้วยเหตุกับผลนะสติเกิดได้ต้องมีเหตุเหตุที่ให้สติเกิดคือจิตจําสภาวะได้ งานหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆอาจารย์อภิธรรมบางท่านสอนอย่ารีบร้อนปฏิบัตินะเรียนให้รู้เรื่องเสซะก่อนฟังให้รู้เรื่องก่อนแต่คงไม่ได้ฟังอภิธรร ม, มัทธะสังคหาเก้าปริเฉต ร, รู้เรื่องหรอกนะอย่างนั้นใช้เวลาหลายปียังไม่ได้ลงมือจริงฟังแค่เรื่องสภาวะให้รู้เรื่องหัดรู้จักสภาวะไปนะ ในอภิธรรมเขาจะเรียนสภาวะเจ็ดสิบสองอย่างสภาวะแต่ละอย่างนะี่มีสิ่งที่ต้องเรียนสี่อย่างเรียกลักษณะที่จตุกะมีลักษณะยังไงสภาวะนั้นมีลักษณะยังไงสภาวะนั้นมีบทบาทมีหน้าที่ยังไงสภาวะนั้นเมื่อทําหน้าที่แล้วมีผลเป็นยังไงแล้วก็อันสุดท้ายอะไรทําให้สภาวะนั้นเกิดขึ้นเจ็ดสิบสองงานนี้ต้องเรียนคูณด้วยสี่เข้าอีกเยอะนะเยอะ ตั้งหลายร้อยละเรานักปฏิบัติไม่ต้องเรียนยุ่งยากขนาดนั้นหรอกเรียนหัดดูของจริงไปหัดรู้ไปวันละอย่างสองอย่างมานั่งกับหลวงพ่อก็คอยดูไปเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็ใจลอยไปหัดรู้หัดดูอยู่อย่างเงี้ยหัดรู้จักสภาวะไปวันละอย่างสองอย่างมาที่นี่หลวงพ่อชอบให้หัดดูความเผลอความใจลอยความเหม่อทําไมให้ดูความเหม่อความใจลอย ความเมือความใจลอยคือสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะถ้าพูดหยาบๆนะขอโทษนะมันคือโคตรพอ่อโคตรแม่ของกิเลสอื่นๆ น, น, นั่นแหละพอหลงไปนั่นแหละราคะถึงเกิดพอหลงไปนั่นแหละโทสะถึงเกิดพหลงไปนั่นแหละความทุกข์ถึงเกิดงั้นหากรู้จักจิตที่หลงถ้ารู้จักสภาวะที่หลงได้โอ้ปฏิบัติได้แทบทั้งวันเลย พราสภาวะที่เกิดเกือบตลอดเวลานะคือหลงกิเลสอื่นๆจะต้องประกอบด้วยความหลงเสมอนัอ้นถ้ารู้จักตัวนี้แล้วก็ภาวนาได้เกือบทั้งวันนะที่เหลือคืออะไรที่เหลือคือจิตที่มีสติซึ่งมีแสนน้อยน้อยที่สุดวันหนึ่งมีน้อยที่สุดเลยวันนึงอกุศลมีมากกุศลมีน้อยอกุศลที่มากที่สุดคือโมหะหลงนั่นแหละ งั้นถ้าเรียนสภาวะหลงได้เนี่ยจะเป็นนักปฏิบัติที่เก่งอย่างรวดเร็วเลยเร็วมากเพราดูได้แทบทั้งวันหลงเป็นยังไงหลงมันลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจตัวเองทำไมมันลืมมันลืมเพราะมันมัวไปหลงอารมณ์ภายนอกมันหลงไปดูมันหลงไปฟังมันหลงไปดมกลิ่นมันหลงไปริมรสมันหลงไปรู้สัมผัสทางกายมันหลงไปคิด มีหลงหกช่องหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกช่องทางหลงไปดูเช่นเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาปุ๊บขณะที่ใจเราไปดูเขาเนี่ยใจเรามันจะวิ่งไปหาเขานะขณะนั้นรู้หมดเลยหมามาก็รู้แมวมาก็รู้นะคนมาก็รู้ผู้หญิงผู้ชายรู้หมดเลยแต่ในขณะนั้นไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองเหรอกลืมตัวเอง ขณะที่ตั้งใจฟังเช่นฟังหลวงพ่อพูดเห็นไหมฟังหลวงพ่อพูดฟังไปคิดไปนะแล้วลืมตัวเองลืมกายลืมใจถ้าฟังแล้วไม่คิดรู้เนื้อรู้ตัวอยู่รับรองว่าฟังไม่รู้เรื่องที่เรารู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังธรรมะของหลวงพ่อรู้เรื่องนะฟังแล้วก็ไปคิดเอาเองแล้วก็คิดว่ารู้เรื่องเอาเองงั้นเราไม่ได้รู้เรื่องด้วยการเห็นธรรมะของจริงแล้ว เรารู้เรื่องเพราะคิดคิดเอาเองถ้าฟังแล้วไม่คิดจะไม่รู้เรื่องถ้าฟังเราคิดจะรู้เรื่องแต่อาจจะรู้ถูกหรือรู้ผิดไม่ได้นะรู้เรื่องรับรองว่ารู้ผิดแน่นอนหลกงู่มั่นท่านถึงกล้าพูดบอกธรรมะไปอยู่ในจิตปุถุชนจะเป็นสัจธรรมปฏิรูปของปลอมปลอมแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกเราก็อยากละทุกข์พระเจ้าบอกให้ละสมุทัย เราจะรักษาสมุทัยไว้เราอยากละทุกยังอยากอยู่กับหัวกับหางตลอดนะแล้วก็ธรรมะเราจะกับหัวกับหางทั้งนั้นเลยแทบทุกเรื่องอย่างเราคิดว่าถ้ามีสมาธิจะมีความสุขในขณะที่พระคำทีของเราสอนว่าถ้ามีความสุขต่างหากค่เกิดสมาธิเี่ยรามีธรรมะที่กับหัวกับหางเต็มไปหมดเลย ทำมาหลายปีหลายปีไม่บรรลุสัธทีบรรู้ไม่ได้นะเพราเรียนไม่ตรงคําสอนที่พระเจ้าท่านบอกไว้เนี่ยมันจะหลงมันไม่เข้าใจเนี่ยจะเข้าใจความจริงได้ต้องเห็นบ่อยๆวใจเราหลงไปอยู่ในความคิดเรารู้ของจริงไม่ได้เวลาเราไปคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดเราหลงเราลืมกายลืมใจตัวเองเนี่ยเบอร์ก้ารู้สึกไหมลืมตัวเองไปแล้ว งั้นหัดรู้สึกตัวขึ้นมาหัดรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวไม่ใช่เพื่อจะรู้สึกตัวนะ mm hmm. หัดรู้สึกตัวไม่ใช่เพื่อจะเอาความรู้สึกตัว mm hmm. แต่เพื่อจะรู้จักความหลงนะทั้ง mm hmm. ธรรมดาของจิตหลงตลอดเวลาหลงตลอดเมื่อมันหลงตลอดเนี่ยจะไม่มีใครรู้ว่ามันหลงอยู่เหมือนทุกคนในห้องนี้สมมตินะสมมติ เหมือนทุกคนในห้องนี้รวมทั้งหลวงพ่อด้วยชั่วเท่าๆกันเลยเชื่อไหมในห้องนี้จะไม่มีคนชั่วเลยเพราะมันเสมอกันหมดพอชั่วเหมือนกันหมดมันก็ดีเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งสมมติว่าคุณบรรเจิดดีขึ้นมาคนเดียวที่เหลือมจะชั่วหมดเลยนะจิตของเรานี้ก็เหมือนกันโดยปกติมันหลงตลอดเวลาถ้ามันไม่หลงมันคงบรรลุมรรคผลนิพพานไปหมดแล้วล่ะ จิตของล้าหลงตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าหลงเพราะมันหลงตลอดเวลาที่เราฝึกจนกระทั่งเรามีสติรู้สึกตัวขึ้นมานเพื่อเราจะได้รู้ว่าหลงเป็นยังไง ร, รู้สึกตัวเป็นยังไงเราจะพบว่าถ้าพอเรามีสติขึ้นมาเราจะรู้เลยจิตนี้หลงไปห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เห็นไห้สองข้างนี้เสมอกันนะ ทงข้างหลงและข้างรู้สึกตัวที่เกิดแล้วดับเหมือนกันเห็นไหมไม่ได <oily kita. S 1> ้ฝึกเพื่อจะเอาความรู้สึกตัวด้วยนะแต่รู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อจะได้รู้จักความหลงนั่นแหละรู้จักความหลงก็เพื่อจะรู้จักว่าความหลงก็ไม่เที่ยงความรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงรู้จักความรู้สึกตัวขึ้นมาก็เพื่อจะรู้ว่าความหลงก็ไม่เที่ยงความรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงในสุดจะเห็นเลยสภาวะทั้งหมดมีแต่ความไม่เที่ยงสภาวะทั้งหมดมีแต่การบังคับไม่ได้ เนีเรียนเข้าไปอย่างนี้สิทำไมมันจะไม่ได้มักได้ผลในชีวิตนี้ไม่ได้ยากอะไรนะถ้าเรียนกลับหัวกลับหางอยากจะดีอยากจะสุขอยากจะสงบถ้าเรียนมุ่งหวังแค่นี้มันก็ได้ได้ดีได้สุขได้สงบนะเราก็ทำบุญรักษาศีลทำทานนะทำสมาธิภาวนาเนี่ยเราก็ได้เป็นคนดีมีความสุขมีความสงบตายไปก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ ไ่เกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นรมตามชั้นตามภูมิไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานหรอกเพราะความดีอย่างนั้นยังเป็นโลกียะอยู่แต่ไม่ใช่หลวงพ่อสอนให้ชั่วนะเวลาพูดต้องพูดละเอียดสองข้างเพราะคนเจ้าเล่ยเยอะ <c oughs> เหนือบอกว่าหลวงพ่อบอกไม่ต้องดีขอชั่วชั่วไม่ได้นะถ้าดียังไม่เอาอยากชั่วได้ไงมันดีขึ้นมาเพื่อเราจะได้รู้ว่าชั่วก็ไม่เที่ยง ดีเองก็ไม่เที่ยงเข้ารู้ลงไปในที่สุดจะเห็นเลยทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างบังคับไม่ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าโสดาบันรู้ตรงนี้ทัางหากโสดาบันรู้ตรงนี้รู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปไม่ใช่เรียนเอาสุขถาวรดีถาวร น, นะคาว่าถาวรไม่มีคาว่าสุขไม่มีจริง มีแต่สามารถทุกข์สุขมันเป็นเรื่องความรู้สึกหลอกหลอกเป็นรอยต่อที่ทุกข์มันน้อยลงหน่อยเราก็เรียกว่าสุขถ้าจเจริญสติจเจริญปัญญามากเข้ามักเข้าเห็นแต่ทุกข์นะไม่ใช่เห็นสุขเห็นทุกข์เนี่ยเห็นไหมรู้ทุกข์กายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆเห็นอย่างงั้น่ะสมุทัยจะดับเองปัญหาจะดับพอ ร, รู้แล้วไม่ใช่ตัวเรา ทุกล้วนๆไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนะั้นจะสลัดทิ้งเลยนะมีคํานึงในภาษาบาลีปฏิทิสัก ข, ขาการสลัดคืนมันสลัดจริงๆนะไม่ใช่พูดส่งเดชไม่ใช่ว่าท่านบัญญัติสดิ์ส่งเดชมันสลัดจริงๆเพราะมันรู้ว่าตัวทุกขนะ์มันโยนทิ้งนะไม่ใช่ว่าค่อยๆกระมิดกระเมี้ยนวางไม่ใช่นะสลัดในฉับพลันในขณะจิตเดียวนั่นแหละวันนี้เทศจบแล้วเนาะเห็น ไ, ไหมเทศอริยสัจ อริยสัจก็คือสอนบอกว่าทุกข์คือกายกับใจของเรานี่หน้าที่ต่อทุกข์คือให้คอยรู้มันถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเรารู้เลยกายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจพอหมดความยึดถือกายยึดถือใจสมุทัยคือตัณหาจะดับเองไม่ต้องไปดับมันนะไม่ใช่ต้องหาทางดับ ไม่ต้องไปอดเข้าอดนอนยืนขาเดียวกลั้นลมหายใจอะไรจะไปดับตันหาไม่ใช่รู้ทุกข์แล้วตันหาดับเองก็มันไม่มีตัวเราแล้วมันจะอยากให้ตัวเรามีความสุขไปหาสวรรค์วิมานอะไรใช่ไหมนี่ตันหาดับเองนั้นพอรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งคืนกายคืนใจให้โลกตันหาดับเองนะหมดความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขหมดความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ ทันทีที่ใจหมดความอยากนิโรธจะปรากฏขึ้นเองนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนขณะนี้นิพพานก็อยู่กับเรานี่เองแต่เราไม่เคยเห็นเพราะใจของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นใจของเราปนเปื้อนด้วยความอยากมีแต่ความดิ้นรนมีแต่ความปรุงแต่งนิพพานเป็นความไม่ดิ้นรนเป็นความไม่ปรุงแต่งนะถ้าใจของเรามีคุณภาพพอใจของเราก็เห็นนิพพานที่อยู่ต่อหน้าต่อนี้ เั้นเมื่อไหร่รู้ทุกแจ่มแจ้งสมูทไทก็ถูกละทันทีที่สมูทไทถูกละนิโรธหรือนิพานก็แจ้งขึ้นมาเลยการที่รู้ทุกจนละสมูทไทแจ้งนิโรธเรียกว่าอริยมรรคเรียกว่ามรรคเนี่ยคืออริยสัจสี่อริยสัจสีที่พวกเราเคยเรียนเคยฟังเป็นอริยสัจสี่ตื้นๆเขินๆเช่นเราเรียนบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นี่ยอันนี้ท่านต้องสอนแบบพัญญัติก่อน แเพราะคนอยู่ๆไปรู้ปรามัตดว่ารูปนามเป็นทุกข์รู้ไม่ไหวก็บอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์รัดคลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์พอเราได้ยินคําสอนอย่างนี้เราก็จะคิดว่าคนเจ็บคนป่วยนะคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ คนพลัดพรากจากสิ่งที่รักคนประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นนะท่านบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งท <lại> ี <im lv ain> <im> <im> ่ร <used> <im> ักความประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนะสุดท้ายท่านกลัวเราจะไปหลงว่ามีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็เลยบอกว่าโดยสรุปอุปาทานขันห้าคือกายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่คนทุกข์นะ กายนั่นแหละมันทุกข์ใจนั่นแหละมันทุกข์ทุกยังไงทุกแล้วทำอะไรทุกแล้วให้รู้เห็นไหมสอนละเอียด น, นะทุกให้รู้ไม่ใช่ให้รู้ว่าคนนี้แก่คนนี้เจ็บคนนี้ตายนะให้รู้กายให้รู้ใจต่างหากธรรมะลึกซึ้งนะลึกมากค่อยๆเรียนค่อยๆฟังแต่ฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอกลหลวงพ่อพูดเพื่อให้พวกเรารู้ว่าเรายังมีสิ่งต้องเรียนอยู่ แล้ววิธีเรียนก็คือรู้ทุกนั่นเองพระพุทธเจ้าบอกรู้ทุกสติปัฏฐานสี่ก็คือการรู้ทุกนั่นแหละสติปัฏฐานสี่คือการรู้รูปนามเห็นไหมกายกายานุปัสสนารู้รูปความจริงคําว่ากายานุปัสสนาไม่ใช่รู้รูปอย่างเดียวนะคําว่ากายแปลว่าที่ประชุมที่ประชุมของอะไรที่ประชุมของรูปที่ประชุมของนามนั่นแหละนั่นคำว่ากายรู้กายไม่ใช่รู้ มือกระดิกกระดิกรู้มือนะอะไรประชุมไม่มีอะไรประชุมเลยมีแต่มืออันเดียวนะธรรมะลึกนะลึกรู้กายก็รู้ที่ประชุมของรูปของนามอะไรเป็นที่ประชุมของรูปของนามไอ้นี่เห็นไจิตใจเราก็อยู่ในนี้ความรู้สึกเราก็อยู่ในนี้นเรียนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยรูปกัะนามเรียนสิ่งนี้ งัไอ้ตัวนี้เ่ินไหวใจมันอยู่ต่างหากนะใจเป็นคนดูงั้นจะดูกายมีใจเป็นคนดูแยกรูปแยกนยามจะดูท้องพองยุบเห็นแต่ท้องไม่ได้จนะ ย, ยกเท้าย่างเท้าเห็นแต่เท้าไม่ได้หนะลงจะรู้ลมหายใจรู้แต่ลมอย่างเดียวใช้ไม่ได้นะใจต้องตั้งมั่นใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนะฉนั้นการรู้กายก่อนจะรู้กายต้องทําสมถะนะ กย า, า, า, า, ายานุปัสสนาเหมอกับสมถียานิสุสีคำภีของเราสอนละเอียดยิบเลยนะเราชอบข้ามข้ามเอาใจของเราไม่มีคุณภาพใจของเราไม่ตั้งมั่นเราก็จะไม่เห็นตัวรูปที่แท้จริงจะเห็นแต่อวัยวะเห็นมือเห็นเท้าเห็นท้องเห็นแขนเห็นขาะนั่นไม่ใช่รูปมันเป็นบัญญัติหลวงพ่อพูดตามใจชอบนะ ฟังไม่รู้เรื่องก็แลวแต่โยมเดี๋ยวมีซีดีเอาซีดีไปฟังหลวงพ่อเทศก็คล้ายๆกันทุกวันแต่วันนี้ทำไมมันเทศลึกลับซับซ้อนไปหน่อยก็มีคนฟังรู้เรื่องก็ธรรมะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเบอร์เก้าใจลอยแล้วทราบไหมเบอร์เก้าบังคับตัวเองแล้วทราบไหมรู้สึกไหม ไปทำให้มันนิ่งนิ่งถ้าคนนี้มาจากไหนเคยมาเนี่ยใช่ไหมเคยมาไหมมากับใครบันนานะบันนานะนี่เยอะเนาะคนเยอะนี่ก็มากับเขาได้เหร อ, อเคยฝึกกรรมฐานอะไรก็ฝึกต่อนะหลวงพ่อไม่ได้ห้ามก็รรมฐานอะไรก็ถ้าเข้าใจแล้วก็ทำได้เหมือนกันหมดแหละ แต่ถ้าไม่เข้าใจหลักที่หลวงพ่อบอกนี้นะทํากรรมฐานอะไรก็ผิดเหมือนกันแหละอย่างบางคนรู้ลมหายใจถ้ารู้ผิดน้ะก็หลงไปเพ่งจ้องลมหายใจได้แต่สมถะรู้ท้องผองยุบถ้ารู้ไม่ถูกต้องนะก็ไปเพ่งท้องได้แต่สมถะยกเท้าย่างเท้าถ้าไปเพ่งเท้าก็ได้แต่สมถะเหมือนกันนะกรรมฐานอะไรก็เหมือนกัน ขยับมือขยับมืออย่างใสลง่ลงพระเตียนลวงพระเตียนท่านดีนะท่านพระวิเศษองค์หนึ่งเลยขยับไปแล้วเพ่งใส่มือสมถะนะพุโทโธพุโทโธไปเพ่งให้ใจนิ่งสมถะถ้ารู้ลักษณะเห็นสภาวะแล้วรู้ลักษณะนี่เป็นวิปัสนาเดี๋ยวค่อยคุยต่อ